สร้างศีลสัมผัิปัญญาให้เกิดเป็นประจำแล้วก็นว่าไรประโยชน์จริงๆเพราะมันจะต้องผุป่อยเหนื่อยเน่าไปทุกวันทุกวันถ้าเราไม่ได้เป็นทำร่างกายนี้ให้เป็นชนะรองรับศีลสัมผีสปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจแล้ว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 ดูแลรักษาว่าเราเป็นรอบที่สองว่าท่านมีอะไรที่จะบรมีให้ญาติโยมได้ฟังก่อนที่จะได้สนทนาธรรมกันต่อไปก็มีนักการบัดนี้ <c oughs> โยมเย้ย <c oughs> วันนี้ถ้าเป็นมวยเนาะ <c oughs> มวยแชมโลกก <c oughs> ับมวยบ้านนอกนะขึ้นเวทีวันนี <c> ้ <oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงนะเขียวละ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 ก็ปกใจอยู่นะชิดยากมากจะได้ขึ้นเทศกับหลวงพ่อนี่โอ้ของกิง่งกองกิง่งตายตายตายเรคงไม่ตายเนาะถ้าตายคงไม่ได้มานั่งอยู่บนธรรมานี้วันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัปป่าก็มีการฟังฟังก็เอาในสิ่งที่ฟังอย่าเอาผิดเอาถูกกับการฟังของให้ฟังไปเรื่อยๆถ้าสงสัยไม่เข้าใจก็าถาม เพื่อจะให้เกิดปัญญาถ้ายัางไม่คล่องไม่แน่ ใ, นใจค่อยเก็บไว้สนทนาเป็นภายหลังก็ได้ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ อากาศวะโตระหะโตสัมมาสัมพปตัสสัตตังวิหายะมะติสัจเกวาทกเกตุงวาทาพิรโรปิตะมะยังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัจริโตคิตวาโมนินโทตีตี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 เนี่ยสัจจะกนิคนนี้นะญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็เป็นเรื่องของสัจจะเรื่องของความจริงอันดัเสิซึ่งสัจจะก็คือมีความเป็นมาว่าสัจจะกนิคนนี่เป็นผู้ที่มีนิสัยที่แบบว่ามีความหัวดื้อก็ได้หรือว่าความสัตหรือว่าความห่เขาเรียก ว, ว่าความมักใหญ่สูง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 ภาษาลีบุตรนั้นก็ได้ถามปัญหาได้ตอบปัญหาได้เคลียให้กับปัญหาทุกอย่างในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอออ่าทั้งสี่นี้ก็เลยคิดว่าโอ้คาสอนของพระพุทธศาสนานี้มันเด่นชัดจริงๆนะสอนแล้วมันสามารถรู้แก้งไดง้จริงๆก็จึงเปลี่ยนจากการเป็นนิโครเข้ามาสู่การบวชเป็นอ่านางภิกษุณี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 เป็นอาจารย์ของอลูกของกษัตริย์นเะเดอชวีด้วยทีเนี้ยนะเพราะว่าถือตนเป็นใหญ่นะในภรกระทกาอาจารย์ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสัจจกะนิคนว่าอัคคิเวสนะอัิเวสนะในสัจจกะนิคนนี่หมายถึงว่าเป็นลูกของบาสุเิสกาที่ว่าสองคนเนี่ยเขามีลูกห้าคนใช่ไหมครับผมปรกว่าเป็นผู้หญิงสี่คนเนี่ย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 มีความรู้มากถ้านงตนเองถือว่าเป็นผู้รู้จนตั้งเอาแผ่นเหล็กนี่มารัดกับท้องไว้แล้วก็เพราะว่าวเรงว่าท้องจะแตกตายเนื่องจากภายในท้องของตัเองนี่มีความรู้อยู่มากมายซึ่งเป็นว่าเออความหลงของทุกวันนี้มันมีมากนะก็เลยอยากจะถามเพราะว่าเ<ข>ออคนทุกวันนี้นี่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 ในเมื่อว่าอย่างงั้นอาจชิก็โอ้อ่าคุณอาจาของเรานี่สอนง่ายๆหรือว่าสอนยากยากฟังเอานะจะสอนเรื่องอะไรว่า ง, งั้นท่านก็สอนเรื่องขันห้าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราท่านว่าอย่างนี้ครับก็ หมายความว่าท่านสัจจกะนิคนเน่ยเป็นผู้ที่มีความภูมิใจในความรู้ความสามารถของตัวเองชอบเรียกว่าไปในคนกลุ่มไหนก็คนกลุ่มนั้นก็แตกกันขด่าเข้าหน้ารพ<อ>ราะว่าเถามปัญหาแล้วเรียกว่าเงาเงาการแตกก็เงื่อน่ะถ้าหากสัจจคนสัจจนิคนถามปัญหาแล้วไม่ได้แล้วก็ท่านก็ขู่เลยนะอยู่ไปที่ไหนก็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 6กลูกอ่าห้าลูกหกพระองค์อืมทีนี้มีอยู่องค์หนึ่งที่ท่านอาจารชีเนี่ยแยกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอหมใช่ไหมจำได้ไหมอ๋อเป็นยังไงจำไ้ไหมแยกไปแล้วเป็นยังไงครับองค์พ่อครับเอาคงถามท่านนะท่านเป็นคนตอบอ่ะท่านย้อนถาวมู่คืนไม่ได้เลยเนื้อเออเนื้อไม่ออกจำไม่ได้ก็หมายความพ่อแยกออกไปในขนาดนั้นนะศาสนาพุทธิเจ้ากําลังประกาศครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกปรากฏว่าพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยคุ้นแต่ศา ส, สดามหาวิระลูกศิษย์ของมหาวิระแต่ว่าเช้าวันนั้นน่ะพระสาริบุตรชื่อเดิมท่านชื่ออะไรโกโกนิตะอุปติสะใช่อุปติสะคนหนุ่มได้เห็นพระอาชาชีเดินจุก ม, มเดินบิดะบาสนิ่งสงบหน้าเรื่มใสนะเลาก็ไม่วอกแวกไม่ใส่ซ้ายสายขวาไม่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 เราจะดับโดยจะทําให้เกิดสิ่งนั้นก็ดับที่เหตุท่านสอนแต่แค่นี้แหละว่า ง, งั้นปรากฏว่าพระอาชชิสอนแค่นี้นะอุบฤษิกาก็ได้ดงตาเห็นทำแลมวจากนั้นก็ระนับถือกันเป็นครูบาอาจารย์กันมานะป ร, รากฏว่าพระสารีบุตรนี่หลังจากนั้นก็ติดตามท่านมหาพุทธเจ้าได้ออกบวชจนได้บร ร, บรบลุธรรมในข้อบวชแล้วนะครทีนี้เมือ่อสัจจการนิคนไปพบกับอชาชชิ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 มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์อ๋อมีสามกองนะมีสุขกเวทนามีทุกข์กเวทนาแล้วก็มีอัตุกรรมมาสุขกเวทนาเขาโยมพี่มนฟังลราตาหนืดแล้วตอนนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเราพูดถึงเวทนากําำลังเจ็ดประการน่ะกำลังอะไรนะกำลังเจ็ดประการกำลังมีห้าเทนะกาลังไม่ถึงเจ็ดค่ะอะไรบ้างไงชักตาราเลยตอนนี้ดึงตำรามาสู้อาจารย์เลยนะโยมพี่มลใช่ไม่ใช่ตัวตราโมมมัน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 ไม่รู้ก็บมีหลงง่ายๆดีมีจำได้ก็จำไม่ได้นะเอเรียกว่ามีมีสัญญาเขาเรียกว่าว่ามีอะไรมีมโนสัญญานะมีธรรมสัญญามีเจตนาสัญญามีอะไรสัญญาสัญญาความจำได้หมายรู้ทางตาความจำได้หมรู้ทางหูเรียกว่าโสตสัญญาใช่ไหมความไม่ได้หมารู้ทางจมูกเรียกว่าคานะสัญญา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 โสตักระวิญญาณใช่ไห ม, มแล้วก็อพอกินอะไรเข้าไปเรถมรกออร่อยอย่างนี้รถอย่างนี้นะทีนี้พอไปกินกาแฟรถกาแฟทําไมไม่เหมืมนมอนรถวิญญาพอถามว่รถกาแฟไปยังไงต่างจากรถไอ้มรกอรอย่างไงนี่เป็นชิวหาอ่นะาเป็นชิวหาวิญญาณเห็นไหมอันนี้กองๆนิดก็เรื่ก ok งวิญญาณขันละเอียดเขาเขาสอนพุทธศาสนาละเอียดนะละเอียดมากเพราะนัน้น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 อย่างเงี้ยเขาถามกันตอบกันแมเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้ใดครถามสดนิโคถามใครถามพุทธเจ้าอ๋อชิเียาลูกศิษย์ถึง้าอยคนเนี่ยหมายความว่าจะไปต้ววัีกับพุทธเจ้าเอาพุทธเจ้าให้ได้อายเลยว่างั้นเถอะครับผมแลเมื่อถามพุทธเจ้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่ถามพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงใช่ครับผมแล้ววิญญาตอบว่าไงพุทธเจ้าก็ก็ถามตอบกลับคืนว่าดูก่อนอคคิเวสนะ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 เพราะเราไม่มีกําลังอะไรไม่มีกําลังศรัทธาครับที่จะทําตามพระวินัยครับไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังสมาธิไม่มีกําลังปัญญาโอ้กําลังทั้งเจ็ดนี่สาคัญครับเพราะฉะนั้นขอบใจพิยมิมนนะนะได้กําลังอะไอย่างถ้าคนมีกําลังศรัทธานี่ทำอะไรก็สําเร็จนะครับแต่คนทําอะไรไม่มีศรัทธานี่ทำอะไรเมื่อวานนะทําปูอิดเนี่ยกับเด็กคนหนึ่งก็มาช่วยโหเขา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 <laughs> ยอมชวนกว่าสอบตก ย, ยืนยันว่าฉันมีแน่ถึงหลวงพ่อไม่ลุ้นฉันเย่าจะมาด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่ามีมีกําลังในตัวเองอ่ไม่ใช่อาศัยกําลังคนอื่นให้นะแต่บางคนโอ้โหก็จะมาวัดในหลวงพ่อย้อแล้วยอ้วยออยีกได้บุญอย่างนั้นได้บุญอย่างนี้ถึงได้มานะอันนี้เขาเรียกอาศัยแสงสว่างจากคนอืน่นนะอาศัยแสงกําลังจากคนอื่นเพราะนั้นศรัทธามีสองประเภทใช่มคร<อ>ับศรัทธาศรัทธาสองอันนี้อันไหนดีกว่ากันครับก็ศรัทธาในส่วนที่ม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 พุทธานุสติแล้วลึกถึงพระดิจ้าบ่อยๆบ่อยสองธรรมานุสติแล้ลึกถึงพระธรรมบ่อยๆ่สสังขานุ ส, สติแล้วลึกถึงพระสงฆ์บ่อยๆ่สีศีลานุสติแล้วลึกถึงศีนบ่อยบ่อยห้าเทวตานุสติแล้ลึกถึงเทวดาบ่อยบ่อยหก อ, อุปสมานุ ส, สติแล้ลึกถึงความสงบสุขบ่อยเ <91 S 1> ขาให้รา ล, ลึกสิงสิงเหล่านี้บ่อยบ่อยแล้วมันจะเกิดกำลังแต่คนเราส่วนใหญ่ลึกสิงสิ่งเหล่านี้ไหมครับประจำวันนะ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 แต่บางคนยังท่านสุวรรณนั่งทํสิบวันสบายเฉยเลยเแต่โยมสุวรรณท็สิบนาทีไี่ไหวหรือเปล่าไม่ไหว <laughs> <laughs> นี่ <laughs> คือกำลังอีสีมันต่างกับตรงนี้ <laughs> บางคนนั่งสร้างัขวะได้สักชั่วโมงบางคนนั่งเชื่อครึชั่วโมงต่อจอากอีสามสี่ปี น, นั่งหลับตาเฉยเลยเพราะกำลังเขาไม่พอกำลังศรัทธาไม่พอเพราะนั้นเรื่องนี้สาคัญนะครับ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 คือมีวิริยะแต่อุตสาหานี่แปลว่าขยันเฉยๆแต่อาจจะโง่ก็ได้ขยันแบบโง่โง่แต่ถ้าหากว่าคนที่มีวีแล้วเนี่ยไม่ใช่ขยันขยันแบบกล้าหาะและขยันแบบฉลาด <S S S S S S อืเพราะนั้นคนมีวิริยะกับอุตสาหานี่ต่างกันนะอุตสาหาก็เหมือนชาวบ้านทํางานทั้งปีทั้งชาติทําตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรวยเลยออืมีเขามีอุตสาหะแต่ว่าไม่มีวีแล้ว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 มีสมาธิกับสมาธิแบบหลงลืมนี่เขาเรียกว่าขาดปัญญาโดเอวมันควอยให้หมดเลยเพราะนั้นอนอียีห้าท่านจะมีปัญญาคุมท่ายนะครับเอาทีนี้มาต่อเรื่องสัจจการมีคนผมถามพ่อาเวลาทำงานผลงพ่อทำไมชอบบอกผมว่ามีปัญญาหน่อยสิอะไรแบเนี้ยอ๋อหมายความว่าเราต้องมีสติอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มปัญญาอีกหน่อย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 อสแกนมีคนก็แตบว่าไม่มีเลยพระโคดมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอคิเวสนะเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์กล่อมเกินทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้หรื อ, อในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ตอบว่าม่ใช่เลยพระโคดมผู้เจริญอ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 ไม่มีเหงื่อไรจากรักแร้แม้แต่คนเดียวดูกว่าคิเวสนะบัดนี้หยาดเดียวของท่านก็หยดจากหา้าผากลงยังผ้าห่มแล้วแตัวที่พื้นที่เข้าใจว่ายังไงที่อ่านนี่เข้าใจว่ายังไงก็ในเมื่อไปถามปัญหาว่าความเที่ยงความไม่เที่ยงในเมื่อเป็นอย่างนั้นอถามจนกระทั่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งจนปัญญาแล้วก็ยก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 คือท่านยาจะบอกว่าการที่ขันทั้งห้าเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไม่ได้ก็เพราะอาศัยอนิจจังทุกข์ฐานะตาท่านจะย้อนพูทธิเจ้าแบบนั้นนะนะถ้า่างนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังนานะตาเนี่ยไอ้ขันห้ามันจะเจริญได้ยังไงนี่อยากจะถามย้อนพุทเจ้าแบบนี้<ม>แต่พุทิเจ้า บ, บอกว่าอ้าวขันห้ามันไม่ใช่ตัวต้นมันเจริญไปไม่ได้อ่าจเจริญไปไม่ได้งไงก็เพราะว่าอย่างมู่ พ, พระเจ้าวิสารก็ดีเจ้าประเศที่ขดสุสุนก็ดีสังส่งลงโทษใครสั่งในประเทศไคบุคคลนี้ต้องทําตามไหมต้องทำตา ม, ม, ต อ, ตามอันนี้ถามยอะ น, นนะี่ค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 ไม่ไม่ให้กำลังกับตนเองเอคิดเอาก่อนว่าไม่ได้แต่ยังไม่ลงมือกระทำแต่ในเมื่อลงมือกระทาแล้วเผื่อทำลงไปแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างอะไรถึงเพียง ท, ทำไปด้วยความที่อยากจะกระทําลองลองดูแล้วผลมันก็เกิดขึ้นมาอืมประเด็นนี้เป็นเรื่องสําคันธ์นะหยงเต๋อทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องอาศัยเพราะว่าเกี่ยวกับความมจรื่ขอ ง, ง, งใช่การเชื่อมต่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 อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาทางขโมยกุญแจไว้สักวันวันหลังจะเล่นงานเล่นหน่อยจะแอบขับรถไปที่อื่นดูจะเป็นเะอยู่เป็นลมเป็นแรงไว้นี่ไม่ถึงจะเป็นลมเป็นแรงเป็นลมเป็นแรงนะวาไงมันโปร่งได้นะทำให้โปร่งได้ครับพ่าไม่จะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องยังยังาตายอย่างนี้ป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 นักปราชญ์อะริสโตเติลเลยนะในสมัยนั้นสัจการนิค่คนถือว่าเป็นอริสโตเติลสมัยนั้นเลยแต่ในที่สุดหลังจากโตคำสอนนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อ่าสแสดงให้ฟังในที่สุดสัจนิคมยอมรับในวันขึน้นและนิมนพระไปฉันอ่าที่บ้านสแสดงว่าท่านยอมรับยอ ม, ยอมแตไม่ไม่ได้เห็นว่าสัจิคมเป็นสาวกคนหนึ่งงพระพุทธเจ้า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 กฎที่ท่านสัจจะนิคนถามในสมัยนั้นคนสมัยนิ้ยังฝืนอยู่รู้ว่าการละเมิดศีลเนี่ยมันไม่ดีเขาก็ยังละเมิดอยู่ใช่ไหมครับรู้ว่าการกินเหล้าสูบบุหรี่ว่ามันไม่ดีเขาก็ยังกินอยู่เพราะเขาไม่เชื่อกฎของทานิจารทุกข์ฐานนตตาครับไม่เชื่อกฎของผดีกิเรื่อยแล้วมันจัอยู่ได้นะฮ่า่าฮ่าฮราฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่่าาา่่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 มีลาบเสียอมว่ามีเยอเสื่อมแล้วเยอะมีสารเสริมมีทางก็ต้องทําให้มันเหนือสิ่งนี้ขึ้นมาหมายความไม่ทําตามกระแสครับ Không. ทวนกระแสอ่าหมายความทวนกระแสครับสมเราอยู่เหนือได้อยู่เหนืออนี่ทางอันนี้จังทุกขังแต่ได้เช่นว่าเวลามันคิดได้อยากจะไปเราไม่ไปใช่ไครับเป็นโรกุจราได้ใช่ไหมครับมันคิดอยากจะกินไม่กินใช่ครับคืออย่าทําตามอยากครับแค่ไม่ทําตามอยากนี่ก็ถือว่าเป็นทวนกระแส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 ไอการให้ก็ให้แต่ว่าพอจะมาลงทำงานมาอยู่วัดนี่ชักไม่เอาแล้วนี่แสดง ว, ว่าสัทธายขั้นที่สองอยังไม่เกิดครับ <c oughs> อันนี้เป็นการ <c oughs> ใกล้แล้วนะระหนูแกพ <c oughs> หนูแกจะไม่ไหวแล้วแต่คงจริงถ้าไม่ไหวต้องกลับก่อนได้นะอย่าไปรอให้หลวงพ่อจบหลวงพ่อจบห้างมงค์ก็ลบากนะ <c oughs> <c oughs> เออเออจพาไปค้องน้ำก่อนไป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 แล้วก็ยอดแหลมใช่ไหมทำไมเขาสร้างแบบนั้นอะทไมไม่สร้างยอดสี่เหลี่ยมขึ้นเลยอะให้ฐานงให้ฐานน่อด i ันแข็งแรงนะแต่ไม่ใช่ห้างยังตึกนะยังตึกก็แข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าทาไมเขาไม่สร้างแบบตึกเขาบอกว่าใชชแข็งแรง้ฟเดชแข็งแรงต้องลงลงากลึกลงลงเหล็กลงอะไรลึกนะเพราะว่าเราสร้างอพราเราสร้างตึกสี่เหลี่ยมเนี่ย ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะอยู่ถึงได้ร้อยปีพันปีใช่แต่สร้างเจดีย์ท่านคำนึงถึงเป็นพันๆปีแต่ว่าท่านต้องการแ ส, สดงถึงซิมิมโบลสัญลักษณ์ว่าคนเราต้องมีฐานศรัทธาเหมือนฐานเจดีย์ที่กว้างใหญ่ให้มีศรัทธาขนาดนั้นก่อนแล้วยอดมันถึงจะมั่นคงได้แต่ถ้าหาสมบัติฐานไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่ลึกยอดก็มั่นคงไม่ได้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 ทำไมไม่หายใาจกันบอกอย่ากินเนื้อคนไม่กล้าพูดทีวันหนึ่งโยมคนหนึ่งเป็นพระโสะดาบันมาเยี่ยมว่าท่านเป็นไรไผ่ผอมโอ้ยอยากินเนื้อคนเหรอเหมือ น, นโยมคนนั้นก็วันหนึ่งโยมคนนั้นก็ทําอาหารมาให้ปรากฏว่าอยากจะกินอาหารตรงนั้นโลกก็ดีก็หายขึ้นแต่โยมคนนั้นหายหน้าไปพักหนึ่งพระพิฆาตก็ถามว่าโยมคนนั้นไปไหนอ่ะ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 พ่อโจมอยู่สวนพัททานเนี่ยเป็นเป็นพระโสดา บ, บันแต่ผ้าที่ป่วยเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่พระริเจาเลยต่อว่าบัตรว่าห้ามขอของกับพระโสดา บ, บันถ้าพิสูจนลูกใหญขอสมบัติพิสูจนั้นต้องต่อว่าบัตรถูกต่อบ่าบัตรเไม่รู้เนาะเพราะเด็กใช่ใช่เขาไม่ ร, ม ร, มรู้แต่ว่าคนจะถามก่อนตรงที่ว่าเขาให้ได้ทุกอย่างดังนั้นฐานศรัทธาของพระโสดา บ, บันหรืออาจารยศรัทธาคือศรัทธาไม่ใครจะขอได้กระทั่งชีวิต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 ในการที่ได้มาบังธรำในวันนี้สาระที่เราได้จากกาันมีก็เรื่องอขันห้าเรื่องรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็อย่างน้อยก็ทําให้ภาษาวกหนี่มีพ ร, มพระพุทธเจ้ามีสาวกเกิดขึ้นมาได้ที่เป็นระดับผู้นําขึ้นมาอีกท่านหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ตามตา ม, ตามกันมา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 ที่ได้มาศึกษาแล้วก็ให้นำสิ่งนี้ไปพิจิพิจารณาเพราะเราทั้งหลายเนี่เป็นชาวพุทธทือว่าเป็นผู้ที่จเจริญในปัญญาและปัญญาตัวนี้จะเป็นแสงสว่างของโลกถ้าหากเราทั้งหลายเป็นตัวแทนของชาวพุทธแล้วสามารถนำเอาอคำสอนครธเจ้าไปใช้